เรื่องภิกษุณีเป็นไข้่1พัสสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นไข้ไม่สามารถเดินเท้าไปได้พวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ